พไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มห้าหมวดที่สี่จีวอนคันท ก, กะหมวดว่าด้วยจีวอนคณะผู้มั่งมีชาวกรุงราชครึกไปเที่ยวเมืองไผยสาลีเห็นบ้านเมืองเจริญและมีหญิงนครโสเพนีนามว่าอัมพับปาลีเมื่อกลับไปกรุงราชครึจึงไปแนะนำพระเจ้าพิมพิสาร ส่งอนุญาตให้มีหญิงนครโสเพณีบ้างเมื่อส่งอนุญาตจึงหาหญิงสาวร่างงามชื่อนางสารวะต t มาเป็นหญิงนครโสเพณีประจํากรุงราชฤกษ์นางตั้งคันคลอดบุตรเป็นชายจึงให้นําไปทิ้งยังกองขยะอภัยราชกุมารไปพบจึงให้รับไปเลี้ยงไว้ในวังเด็กนั้นจึงมีชื่อว่าชีวกโกมารพัท ชีวกแปลว่ารอดตายกมาราพัฒ์แปลว่าพระราชกุมารเลี้ยงไว้เมื่อชีวกกมาราพัฒ์เติบโตจึงเดินทางไปศึกษาวิชาแพทย์ณเมืองตักกศิลาอยู่เจ็ดปีเมื่อสำเร็จแล้วในระหว่างเดินทางกลับก็ได้รักษาภริยาเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งเป็นโรคปวดศีรษะมาเจ็ดปีด้วยใช้ยาน้ำมันให้นัดทางจมูก ได้ลาบสการะมากก็มาตั้งหลักแหลงอยู่ในบริเวณที่อยู่ของอภัยราชกุมารต่อมาได้รักษาโรคฤษีดวงทวารของพระเจ้าพิมพิสารหายด้วยให้ทายาเพียงครั้งเดียวจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักและประจำพระพุทธเจ้าร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ ต่อมาได้รักษาโรคปวดศีรษะของเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งกรุงราชครืด้วยการผ่าตัดรักษาโรคลำไส้ใหญ่ของบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งแห่งกรุงพารันศีด้วยการผ่าตัดรักษาโรคผอมเหลืองของพระเจ้าจันทประโชดแห่งกรุงอุชเชนีด้วยการถวายยาให้ทรงดืม่มได้ผลดีทุกราย ครั้งหลังถวายยาถ่ายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยไม่ต้องให้เสวยเพียงอบยาใส่ดอกอุบลสามคำแล้วให้ใช้พระหัตถ์ขยี้ทีละคำก็ได้ผลในที่สุดได้กราบทูลขอร้องต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายรับคฤหจีวรได้คือจีวรที่มีผู้ศรัทธาถวายให้ใช้ สมัยก่อนอนุญาตแต่จีวรที่เก็บเศษผ้ามาปะติดปะต่อใช้ทรงปรารบคำขอของหมอชีวกจึงทรงอนุญาตให้รับครหบดีจีวรได้แต่ถ้าใครจะยังถือจะใช้จีวรที่เก็บมาปะติดปะต่อที่เรียกบางสุกุลจีวรก็ให้ถือต่อไปตามอัธยาศัย ทรงอนุญาตเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจีวรเมื่อมนุษย์ทั้งหลายทราบว่าทรงอนุญาตให้ถวายจีวรได้ก็พากันนำมาถวายมากหลายเมื่อจีวรนมีมากก็ทรงอนุญาตให้สวดประกาศแต่งตั้งภิกษุผู้รับจีวรในนามของสงฆ์ภิกษุผู้เก็บจีวรภิกษุผู้รักษาเรือนคลังสำหรับเก็บจีวรน ภิกษุผู้แจกจีวรและส่งกำหนดคุณสมบัติของภิกษุเหล่านั้นด้วยส่งอนุญาตสีย้อมและวิธีการเกี่ยวกับจีวรส่งอนุญาตสีย้อมจีวรหชนิดคือที่ทำจากรากไม้ลำต้นไม้เปลือกไม้ใบไม้ดอกไม้และผลไม้และส่งอนุญาตวิธีการต่างๆ ในการย้อมจีวรทรงอนุญาตวิธีตัดจีวรเมื่อเสด็จไปยังทักคินาคีรีภูเขาทางใต้ทอยพระเนตรเห็นนาชาวมคตมีขอบคันและกระทงนาจึงตรัสให้พระอานนท์ลองตัดจีวรเป็นรูปนั้นดูเมื่อพระอานนท์ทำเสร็จทรงสันเสริญว่าฉลาด ต่อมาทรงอนุญาตไรจีวรคือจีวรนสามผืนมีผ้าสังคติผ้าซ้อนนอกสองชั้นผ้าห่มหนึ่งชั้นผ้านุ่งหนึ่งชั้นแล้วทรงอนุญาตให้เก็บจีวรที่เกินจํานวนสามผืนไว้ได้ไม่เกินสิบวันถ้าจะเก็บเกินกว่านั้นให้วิกลคือทําให้เป็นสองเจ้าของต่อมาทรงอนุญาตว่าถ้าเป็นผ้าเก่า ให้ใช้สังคติสี่ชั้นผ้าห่มสองชั้นผ้านุ่งสองชั้นเพื่อไม่ให้เห็นช่องขาดปูปะทรงอนุญาตคำขอแปดประการของนางวิสาขานางวิสาขาปรารถนาจะถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์จึงกราบทูลขอพรแปประการเพื่อถวายสิ่งต่างๆแก่ภิกษุ อ้างเหตุผลที่เคยประสบมาต่างๆอันควรจะทรงอนุญาตก็ส่งอนุญาตตามที่ขอร้องคือ 1. ผ้าอาบน้ําฝน 2. อาคันตุพพัทอาหารสําหรับภิกษุผู้มาสามมิกพัทอาหารสําหรับภิกษุผู้ไป 4. คิลานพัทอาหารสําหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 5. ศิลานุปัฏฐากพัดอาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลไข้ 6. ยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไขย้ 7. ข้าวยาคูที่ถวายเป็นประจำและ8ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณีทรงอนุญาตผ้าอื่นๆ ต่อมาทรงอนุญาตผ้าปูลาดหรือผ้าปูนอนเพื่อป้องกันเสนาสนะเปลืเปื้อนทรงอนุญาตผ้าปิดฝีเมื่อเป็นฝีเป็นต่อมทรงอนุญาตผ้าเช็ดหน้าและผ้าอื่นๆที่ใช้เป็นบริขารเช่นผ้ากรองน้าถุงใส่ของแล้วตรสสรัสว่าไตรจีวรให้อธิษฐานไม่ให้วิกับ สำหรับอธิษฐานในที่นี้คือตั้งใจเอาไว้ใช้ส่วนวิกับคือทำให้เป็นสองเจ้าของเมื่อจะใช้ก็ขออนุญาตก่อนทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนให้อธิษฐานใช้ตลอดสี่เดือนฤ ด, ดูฝนต่อจากนั้นให้วิกับผ้าปูนั่งผ้าปูนอนให้อธิษฐานไม่ให้วิกับผ้าปิดปี ให้อธิษฐานไว้ใช้ตลอดเวลาที่อาพาธหายแล้วให้วิกับ้าเช็ดหน้าและผ้าที่ใช้เป็นบริการอื่นๆให้อธิษฐานไม่ให้วิกับทรงอนุ ญ, ญาตและห้ามเกี่ยวกับจีวรอีกต่อมาทรงอนุ ญ, ญาตว่าในตรายจีวรนั้นให้ใช้ผ้าที่ไม่ต้องตัดในวงเล็บเย็บเป็นกระทง ได้เพียงสองผืนต้องเป็นผ้าที่ตัดหนึ่งผืนถ้าจะตัดผ้าไม่พอให้ใช้ผ้าเลาะคือนำชิ้นผ้าอื่นมาผสมทรงปรับอาบาดทุกกฎแก่ภิกษุผู้นุงห่มผ้าที่ไม่ได้ตัดเลยในวงเล็บเย็บให้เป็นกระทงอันหนึ่งทรงอนุ ญ, ญาตให้ให้ผ้าแก่มารดาบิดาได้แต่ไม่ให้นำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาให้ตก คำว่าทำศรัทธาไทยให้ตกคือเอาของที่เขาถวายไปให้แก่คนอื่นที่เป็นเครือข่าและไม่ใช่มารดาบิดามีปัญหาเรื่องการนำจีวรไปไม่ครบสำรับจีวรที่เก็บไว้ถูกโจนลักไปจึงทรงกำหนดเงื่อนไขว่าจะเข้าบ้านโดยเก็บจีวรไว้ไม่นำไปครบสำรับได้เช่นวิหารมีกรอนป้องกันได้ดีเป็นต้น และมีปัญหาเรื่องมีผู้ถวายจีวรแกสงจะแบ่งอย่างไรรวมทั้งปัญหาเรื่องภิกษุจำพรรษาในวัดหนึ่งแต่ละโมกไปรับจีวรในวัดอื่นเป็นส่วนแบ่งหรือทาเป็นว่าอยู่สองแห่งจะตัดสินอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงพยาบาลภิกษุอาพาธสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่ง อาพาด้วยโรคท้องเสียเธอนอนจมปัสวะอุจจาระของตนอยู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีท่านพระอนอนท์ตามเสด็จเที่ยวตรวจเสนาสนะไปยังที่อยู่ของภิกษุนั้นทอดพระเนตรเห็นเธอนอนจมปัสวะอุจจาระของตนอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุเธออาพาดด้วยโรคอะไร ภิกษุนั้นกราบทูลว่าโรคท้องเสียพระเจ้าค่าภิกษุผู้พยาบาลเธอไม่มีหรือไม่มีพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทําประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลข้าพระองค์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกพระอานนท์มาสั่งว่าดูก่อนอานนท์เธอจงไปนำน้ำมาเราจะอาบน้ำให้ภิกษุนี้หมายเหตุจากในหนังสือคำว่าเราในที่นี้หมายถึงพระพุทธเจ้าและพระอานนท์พระอนนท์รับพระพุทธดำรัสแล้วจึงไปนำน้ำมาพระผู้มีพระภาคเจ้าท่งรดน้าพระอนนท์ทำความสะอาด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับทางศีรษะพระอานนยบทางเท้าให้ภิกษุนั้นนอนบนเตียงครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงเรียกประชุมภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุการณ์นั้นตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีภิกษุไข้อยู่ในวิหารโน้นมิใช่หรือมีพระเจ้าค่าเธออาพาธด้วยโรคอะไร โดยโรคท้องเสียพระเจ้าค่ามีใครพยาบาลภิกษุนั้นหรือเปล่าไม่มีพระเจ้าค่าทำไมเล่าภิกษุทั้งหลายจึงไม่พยาบาลภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายไม่พยาบาลเธอเพราะเธอไม่ทำประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาผู้จะพึงพยาบาลพวกเธอก็ไม่มีถ้าเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่า จะพยาบาลดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพยาบาลเราก็พึงพยาบาลภิกษุไข้เธอถ้ามีอุปชายยะอุปชายยะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหายถ้ามีอาจารย์อาจารย์พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหายถ้ามีสัตธิวิหาริกสัตธิวิหาริกพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหาย ถ้ามีอันเตวาสิกอันเตวาสิกพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอุปชายยะภิกษุผู้ร่วมอุปชัยยะพึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหายถ้ามีภิกษุผู้ร่วมอาจารย์ภิกษุผู้ร่วมอาจารย์พึงพยาบาลเธอตลอดชีวิตจนกว่าจะหายถ้าไม่มีอุปชัยยะอาจารย์ นอกจากนั้นได้ทรงแสดงวิธีสวดประกาศของสงฆ์เพื่อมอบบริขานหรือเครื่องใช้ของผู้เป็นไข้ที่สิ้นชีวิตแก่ภิกษุผู้พยาบาลไข้แต่ถ้าเป็นขรุพันคารุบริขานคือของใช้ขนาดใหญ่ห้ามแบ่งและแจกให้เก็บไว้เป็นของสงฆ์การเปลือยกายและการใช้ผ้า ทรงห้ามเปลือยกายแบบเดียรถีและปรับอาบัตทุนละใจแก่ผู้ล่วงละเมิดอนหนึ่งทรงห้ามใช้ผ้าขากรองเปลือกต้นไม้กรองผลไม้กรองผ้ากำพลทำด้วยผมคนผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์ปีกนกเขาหรือหนังเสือซึ่งเป็นของพวกเดียรถีใช้นุ่งหม่มต้องอาบัตทุนละใจผ้าทำด้วยปอนุ่งหม่มต้องอาบัตทุกก ความหมายในที่นี้คือไม่ให้นุ่งห่มเรียนแบบเดียวระถีทรงห้ามใช้จีวรที่มีสีไม่ควรและห้ามใช้เสื้อหมวกผ้าโพกทรงห้ามใช้จีวรที่สีไม่สมควรต่างๆคือเขียวล้วนเหลืองล้วนแดงล้วนเรือมล้วนดำล้วนแดงเข้ม แดงกลกลายหรือชมพูอันหนึ่งส่งห้ามจีวรที่ไม่ตัดชายจีวรมีชายยาวจีวรมีชายเป็นดอกไม้จีวรมีชายเป็นแผ่นและส่งห้ามใช้เสื้อหมวกผ้าโพกส่งปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ใช้สำหรับสีเลื่อมนั้นอตตกถาอธิบายว่าคล้ายฝางอันหนึ่ง เนื่องจากทรงห้ามสีเหลืองล้วนพระภิกษุบางรูปจึงนิยมย้อมกลักคือสีจากแก่นขนุนทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นสีน้ำฝาดผสมทรงวางหลักเกี่ยวกับจีวร อ, อีกเมื่อภิกษุจำพรรษาแล้วจีวรยังไม่ทันเกิดขึ้นไปซะภายหลังมีจีวรเกิดขึ้นถ้ามีผู้รับแทนเธอที่สมควร ก็ให้ให้ไปแต่ถ้าเธอศึกษาเป็นต้นสงย่อมเป็นใหญ่ถ้าสงแตกกันให้แจกผ้าตามความประสงค์ของผู้ถวายว่าจะถวายแก่ฝ่ายไหนถ้าเขาไม่เจาะจงให้แบ่งฝ่ายละเท่ากันอันหนึ่งทรงวางหลักการถือเอาจีวรของภิกษุอื่นด้วยถือวิสาสะคือคุ้นเคยกันว่าต้องมีเหตุผลสมควร แล้วส่งแสดงกติกาข้อกำหนดหรือแม่บท8ประการที่จีวรจะเกิดขึ้นคือ 1. เขาถวายกำหนดเขตภิกษุที่อยู่ในสีมา 2. เขาถวายกำหนดกติกา 3. เขาถวายกำหนดเฉพาะเขตหรือวัดที่เขาทำบุญประจำา 4. เขาถวายแก่สง์ เขาถวายแกสงสองฝ่ายคือภิกษุและภิกษุณีหกเขาถวายแกสงที่จำพรรษาแล้วเจ็ดเขาถวายโดยเจาะจงในวงเล็บให้เกี่ยวเนื่องกับการถวายข้าวยาคูหรืออาหารอื่นๆเป็นต้นแปดเขาถวายจำเพาะบุคคลคือแกภิกษุรูปนั้นรูปนี้